สร้สติความรู้สึกตัวไปด้วยสร้างจังหวะความรู้สึกตัวนี้เพื่อเราจะได้เป็นภาชนะรองรับธรรมะท้งกายทั้งใจไปด้วยาบางคนอาจจะสงสัยว่นานั่งสร้างจังหวะไป ด, ด้วยแล้วฟังทำไปด้วยมันจะรู้เรื่องหรือเปล่า อันนี้ก็เคยชี้แจงกันหลายครั้งว่าซึ่งเมื่อก่อนไม่มีไม่มีใครไม่มีใครไม่มีคนเห็นด้วยว่านาสร้างยาวะในขณะที่ฟังธรรมต่นหลังมาเราก็มาวิเคราะห์กันว่ามีผลดีผลเสียอย่างไรก็ลองทำดูนะผลดีก็คือทำให้เราจิตใจของเราเนี่ยมุ่งอยู่กับปัจจุบันการรู้สึกตัว ผลเสียก็คืออาจคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่เคยมาปฏิบัติในสายงานนี้อาจจะเข้าใจว่าเนี่ยทำไมนั่งสร้างจังหวะแล้วก็ฟังทำเนี่ยมันจะสงบหรือมันจะเข้าใจหรือมันจะรู้เรื่องรู้เอย่างเราก็ไม่อยากทำอันนี้ก็เป็นผลเสียและผลดีผลดีประการหนึ่งก็คือทำให้จิตของเราที่มันเมือลอยฟุ้งซ่านหรือมันคิดไปในที่ต่างๆเนี่ย มักลับมาเพราะในวิธีการของวัฏเิอันนี้เราไม่ต้องการความสงบเท่าไหร่หรอกต้องการความรู้สึกตัวเราก็ไม่ต้องการที่จะเข้าใจคําที่พูดมากเท่าไหร่หรอกแต่ต้องการความรู้สึกตัวเพราะนั้นการฟังยังไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักก็คือการเกิดความรู้สึกตัว ว่าไปแล้วนี่ถ้าเราทํามากๆการฟังก็แทบจะไม่มีความหมายอะไร<ม>การฟังก็ดีการอ่านก็ดีก็จะลดความหมายน้อยลงไปเพราะความรู้สึกตัวนี้เป็นเนื้อการฟังนี้ก็ค่เป็นกลิ่นเป็นไอมันมมแต่ว่าการได้ได้รู้สึกตัวนี้เป็นเนื้อล้วนๆของของธรร ม, มซึ่งในวิธีการอันนี้ก็ อมาได้พิสูจน์มาก็จนถึงปัจจุบันก็เกือบ20ปีแล้วก็ยังมั่นใจยังทำได้สรุกอยู่นะยังทำได้ไม่จืดไม่จางก็นะอยากจะให้จะโยมนอาปฏิบัติให้มั่นใจว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่วิเศษศักดินะ์สิทธิ์ ในช่วงที่เปิดอรณ์ปฏิบัติเนี่ยเวลาทําอยู่ไม่อยากจะให้มีเรื่องอื่นเข้ามาไม่มีเรื่องการกระทําเวลาจะพูดเรื่องอะไรก็พูดแต่เรื่องนี้เท่านั้นไม่อยากจะเอาเรื่องอื่นมาพูดวันนี้มันกันหลายคนอยากจะให้นําเรื่องต่างประเทศมาเล่าให้ฟังก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติถ้าทําให้บรรยากาศ ขอการปฏิบัติเปลี่ยนไปเพราะบรรยากาศปฏิบัติเป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะนำเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องปฏิบัติมาพูดเนี่ยทำให้เสียอารมณ์และเสียเวลาดังนั้นในที่ปฏิบัติที่ามาเคยทำมาเนี่ยแม้แต่เรื่องภาหิละกค า, า, า, าถาเดรฉานคาถานี่ก็ไม่อยากจะให้นำมาพูดในที่ประชุมไม่ว่าโอกาสใดๆก็ตามการใช้คำพูดที่ไม่สมควร ในการตลกการพูดโจกพูดเล่นพูดยัวพูดเย้าพูดแย่พูดปุกอะไรก็ตามไม่อยากจะให้พูดเพราะอารมณ์ปฏิบัติเป็นอารมณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์จะทําเป็นเรื่องเล่นไม่ได้มันเสียความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตไม่ใช่เป็นของเล่นเป็นของจริงนะเพราะฉะนั้นในที่บางแห่งบางที่มาไปร่วมแล้วการใช้คําพูดที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติก็อยากไม่อยากจะให้มี บางทียมาก็เบรกเอาแรงๆเพราะทุกคนที่มาที่นี่เสียเวลามาเสียเงินเสียทองมาเสียความตั้งใจมาเพราะฉะนั้นมาแล้วก็ให้มันได้คุ้มไม่ใช่ว่าพกเอาอะไรอะไรกลับไปที่มันไม่ใช่ประโยชน์ทางธรรมเพราะฉะนั้นมาเองจึงถือว่าเป็นบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะพูดออกไปเนี่ยต้องรับผิดชอบ มันม่ใช่พูดทิ้งๆไปเหมือนกับเราพูดทั่วไปดนั้นเองในลาดับต่อไปนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติว่าวิธีการปฏิบัติของพ่อเทียนเป็นวิธีที่ดับทุดได้ทันทีทันใดแต่ว่าถ้าเรายังทําไม่พอเนี่ยมันก็ยังดับไม่ได้เหมือนกับเรามีน้ําเพียงกระป๋องสองกระป๋อง ถ้าไฟมันแรงเนี่ยมันก็สาสตรไฟโครงเดี๋ยวมันก็ไฟมันก็ไม่ดับเหมือนกับเตาฐานที่เราเปิดใหม่ๆถ้ามีน้ําเพียงขันเดียวสาดเข้าไปเดี๋ยวก็น้ํามันก็หมดไฟก็กลับแดงเหมือนเดิมเราจะไปโทษน้ํามันไม่ดีไม่ได้แต่น้ํามันยังไม่พอไฟเรามันแรงนันไฟราคาโทสะโมหะที่มันสูงอยู่ในใจของเราเนี่ยมาไล่กับไล่กันหลายมืงหลายแสนชาติ ที่เราจะให้มันดับทนัทนใดทันใดคงเป็นไปไม่ได้แต่หน้าที่ของเราก็คือจะต้องหาน้ําให้มากน้ําในที่ไหนคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนวั้นเป็นที่รวมของศีลของสมาธิของปัญญาทําความรู้สึกตัวอย่างเดียวนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นหมดแต่ต้องเป็นสัมมาสติความรู้สึกตัวอย่างถูกต้องไม่ใช่ความรู้สึกตัวแบบไม่ถูกต้องความรู้สึกตัวมีสองอย่าง ที่เป็นสมาสติแล้วความรู้สึกตัวที่ผิดแล้วมิจฉาสติมีความรู้สึกตัวที่มิจฉาสติความรู้สึกตัวที่ผิดแล้วก็สมาสติความรู้สึกตัวที่ถูกนะเพราฉะนั้นจะทําอย่างไรถึงจะได้สมาสตินี่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องพิจารณากันนะเพราะมิจฉาสตินี่ทุกคนมีนะแม้แต่สัตว์มันก็มีแม้แต่โจรมันก็มี แต่เป็นมิจฉาสติเป็ความรู้สึกตัวที่ผิดนะในแม้แต่เราทุกคนก็นเหมือนกันที่ยังไม่ได้มาฝึกฝนเรื่องสมาสติก็ยังเป็นมิจฉาสติอยู่มิจฉาสติทําให้เราคิดทําให้เราพูดทําให้เราทําไปในทางที่เป็นอกุศลนะคิดก็ยังเป็นอกุศลอยู่ทําก็ยังเป็นอกุศลอยู่พูดก็ยังเป็นอกุศลอยู่ แม้แต่พระที่ปฏิบัติแล้วแม้แต่พูดออกมาถ้าไม่ประกอบด้วยกุศลก็ยังคําพูดนั้นก็ยังมาจากมิจฉาสติอยู่เพราะว่าจะต้องเดียดเบียนตัวเองและผู้อื่นโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนี่ฉะนั้นในการปฏิบัติแบบเนี้ยก็อยากจะให้ทําความรู้สึกที่ถูกต้อง ควารู้สิกตัวที่ถูกต้องคือทําอย่างไรอันนี้บอกกันไม่ได้ทําไปบ่อยๆก็แล้วกันสมมุติว่าทำร้อยครั้งตอนแรกมันอาจจะผิดถึงเก้าสิบครั้งมันอาจจะถูกสักสิบครั้งก็ช่างมันทําไปอีกจนปัญญามันเกิดพอปัญญามันเกิดมันก็อาจจะถูกขึ้นมายี่สิบครั้งผิดไปแปดสิบครั้งก็ช่างมันมันค่อยถูกขึ้นเรื่อยๆถูกขึ้นถูกขึ้นนะเหมือนกับเราติดติดไฟเตาฐ่านนี่ย ตอนแรกมันมีไฟนิดเดียวนะะแดงแดงนิดเดียวเราก็พัดไปเรื่อยๆในส่วนที่มันผิดก็เหมือนกระถานที่มันยังไม่ติดไฟมันดําอยู่ในส่วนที่มันติดแล้วเหมือนกับมันถูกแล้ไฟมันแดงขึ้นมาเราก็พัดเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไฟมันแดงทั่วเตาความร้อนก็เต็มที่ชั้นได้ก็ดีในชิตของเราในส่วนไหนที่มันยังไม่รู้สึกตัวมันก็ดําอยู่ ในส่วนไหนมันรู้สึกตัวแล้วมันก็แดงขึ้นมาสว่างขึ้นมาแจ่มใสขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเองในการสั่งสมความรู้สึกตัวจึงเป็นการสั่งสมกำลังของการบรรลุธรรมกำลังของโพธิท่านใช้คาว่าหน่อพุท ธ, ธะหรือหน่อพุท ธ, ธางคูลที่มีอยู่ในใจของเราของคนทุกคนนี่แหละ มันมีอยู่แล้วพุทธะตัวนี้มีอยู่ในคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพุทธคธิตอิสลามาพราหมณ์ฮินดูอะไรก็ตามมีพุทธะอยู่ทุกคนไอส่วนพุทธะตัวนี้มันจะถูกหรือจะผิดเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่สมมาสติถ้าเป็นสมมาสติพุทธะนี่ก็ถูกขึ้นมาแต่ถ้ามิจฉาสติพุทธะก็ผิดนะกลายเป็นมานไปพูธกับมานอันเดียวกันขึ้นอยู่ที่ตัวแปรถ้าตัวแปรเป็นนิชฉาสติ พุทธก็กลายเป็นมารถ้าเมื่อไรเป็นสมาสติมารก็กลายเป็นพุทธองค์เดียวกันนั้นนั้นเองมีพระพุทธเจ้าที่ไหนก็ต้องมีมารที่นั่นมีความก้าวหน้าที่ไหนก็ต้องมีอุปสรรคที่นั่นมีการปฏิบัติที่ไหนก็ต้องมีนิวรณ์มีกิเลสที่นั่นเหมือนกันถ้าไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสเราจะปฏิบัติไว้ทําไมไม่มีขี้เกียจไม่มีขี้คลานไม่มีง่วงไม่มีเหงาไม่มีเบื่อนี่ ไม่รู้ปฏิบัติไปทำไมเพราะมันไม่มีคู่ต่อสู้เหมืนอนนักมวยขึ้น เ, เวทีคนเดียวเนี่ยไม่รู้จะไปชกกับใครมันก็ต้องมีคู่ต่อสู้การปฏิบัติเหมือนกันไอการที่เราปฏิบัติอยู่พ่อเราเห็นคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ของเราตอนนี้เราก็สู้กันทั้งวันสู้กับความเบื่อหน่ายสูขขย้กับความอยากกลับบ้านสูขข้กับความงาว่วงเหงาสู้กับความฟุ้งซ่านนี่คือคู่ต่อสู้ของเราสู้กับความขี้เกียจสู้กับความหงุดหงิดลำคาน สาราพัดอันนี้คือตัวพุทธที่มาในรูปของมารมารมาในรูปของพุทธแทรกกันอยู่อย่างนั้นนะทีนี้ครูบาอาจารย์กริยาณมิตรนั้นเป็นผู้ให้กําลังใจเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยเชียร์อยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นไปที่ไหนในวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราจะจัดพี่เลี้ยงเอาไวใ้ให้คอยให้กําลังใจแต่ถ้าหากว่า พี aces, interes, ่เลี és, <laughs> SO e here, ้ยงปล่อยนักมวยขึ้นเวทีแล <ira> ้วพี่เลี้ยงก็ไปที่อื่นใช่นักมวยก็มีหวังแพ้แต่ไม่รู้ว่างานนี้มีพี่เลี้ยงคอยให้เชียร์กับให้กาลังใจหรือเปล่าไม่รู้ปล่อยนักมวยขึ้นเวทีพี่เลี้ยงหายไปไหนหมดไม่รู้มองหาพี่เล้ยงไม่เจอเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเรื่องนี้สําคัญนะเป็นอนี้สาคัญมากฉะนั้นก็อยากจะให้กําลังใจนะมาเองถือว่างานนี้เป็นงานเดียวเป็นงานหลักไม่มีงานอื่นที่ต้องทําอีกแล้ว มีงานเดียเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ไหนกับใครก็ตามนัน่นแล้วมามีโอกาสไปไปไปพักผ่อนในต่างประเทศรู้สึก<ม>ก็สบายขึ้นนะรู้สึกสดใสขึ้นบทเก่านิดหน่อยเพราะได้พักผ่อนอยู่บ้านเราปัญหาเยอะทางานหน้าดำาค่่งเครียดไปก็ได้พักผ่อนได้ปฏิบัติได้เก็บอารมณ์ก็ถือว่า เป็นโชคอันหนึ่งก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองในการปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะเน้นแล้วเน้นอีกว่าการมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงรู้สึกเฉยเฉยนะรู้และต้องเห็นด้วยเห็นความรู้สึกตัวเห็นแล้วก็ทํารู้สึกตัวนะให้เป็นด้วยเป็นความรู้สึกตัวเป็นแล้วยังไม่พอต้องมีด้วยมีความรู้สึกตัวรู้เห็น เป็นมีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็รู้สึกใจด้วยรู้สึกกายด้วยรู้สึกใจด้วยทีนี้ทำไมบางคนก็ทำยากบางคนก็ทำง่ายบางคนก็ทำได้เร็วบางคนก็ํำได้ช้าเพราะอะไรเพราะว่าความเข้าใจถูกต่างกันบางคนเข้าใจถูกบางคนเข้าใจผิดถ้าเข้าใจผิดเนี่ยมันจะช้ามากเลยหรือถ้าจะไม่มีโอกาส แต่เข้าใจถูกเนี่ยมันจะไวมากเลยมีโยมคนหนึ่งที่ที่อเมริกาเป็นคนลาวเนะี่ยเแสวงหาการปฏิบัติมานานเนะี่ยแต่บอกแกบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเทพธรรมะที่ที่วัดลาวเนี่ยเก็ดีนุ่งพ่อมาหาบทองนี้เอาไปให้ไปเปิดพรากฏว่าแกได้ฟังแล้วพรากฏว่าแกเข้าใจอะไรบางอย่างก็เลยติดตามสหา นี้พอมาพบมาแกก็เลยมาปฏิบัติทุกวันพุธ <laughs> พราะที่นั่นงานเขาจะอยู่กับธนาคารกับวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีเพราะว่าเมือง น, นั้นปเป็นเมืองคาสิโนเมืองท่องเที่ยวนี่เขาจะอยู่กับธนาคารกับวันพุธ ท, ทีนี้แกก็มาทุกวันพุธวันอังคารก็ทํางานบ้านทั้งหมดวันพุธแกต้องมาห่อข้าวมาไม่ยอมไปกินข้าวห่อข้าวมาจากบ้านปฏิบัตินั่งเวลาของแกมีค่ามากพอลงนั่งปฏิบัติทีนี่แกจะตั้งไว้เลยว่านั่งปฏิบัติคราวนี้ ถ้าไม่ถึงสองชั่วโมงฉันจะไม่ลุกนั่งปฏิบัติตอนนี้ไม่ถึงสามชั่วโมงฉันจะไม่เปลี่ยนนั่งปฏิบัติคราวนี้ถ้าไม่ถึงแก่จะตั้งเอาไว้เลยมาทุกวันพุธทีนี้มาเมื่อเดือนธันวาวันที่ยี่สิบเดือนธันวาเขามีคริสต์มาสกันเราก็เปิด อ, อรบรมปฏิบัติสิบวันแต่เลนมาถึงสิบสองวันก็ปฏิบัติสิวันก็ปรากฏว่าแกมาได้สามวันวันที่สามเนี่ยแกเข้าใจเลยเข้าใจรูปน้ํา พอดีใจนะดีใจนี่ดีที่เขาก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรดีตลอดว่าทําไมความรู้สึกมเปลี่ยน น, นะนะแกพอตอนเสร็จงานก็ให้แกมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าพอทําไปในวันที่สามเนี่ยมันมีคําคําหนึ่งรูปนามนี้เกิดขึ้นในหัวของแกไม่รู้มันมาจากไหนเพราะแกไม่ไ แ, กไมไแกไม่ได้คิดมาก่อนอันนีรูปอันนี้นามไปเห็นอะไรก็เห็นสองอย่าง เอันนี้รูปอันนี้นามพรทเด็นอะไรมันแยกแค่สองอย่างแค่นั้นเองเมื่อก่อนเห็นนี่เป็นคนเป็นตนเป็นเสาเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นอะไรต่างๆพอวันนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันมีคำสองคําในติดตาติดใจอยู่แค่รูปนามรูปนามรูปนามไม่ได้ท่องแต่มันผุดผุดุดขึ้นมาเองแล้วก็ไอ้อันนี้หรือเปล่าเขาว่ารูปนามก็คือดีใจนะดีใจเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามก็มาเล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นมาแค่ขยันสนุกปฏิบัติพอหลังจากเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยปฏิบัติจะสนุก นะเราไปทำการทำงานใจแล้วก็เปลี่ยนใจดีนะทีนี้พอในเดือนต่อมาแกบอกกาขอเก็บอารมณ์ที่บ้านนะพอมาที่วัดนี่มันจะต้องมีเพื่อนหลายคนคอยถามนูน่นถามนี่ทำให้แกเสียเวลาแกก็ทาที่บ้านปิดประตูห้องแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ติดเขียนเอาไว้วันนี้ อ, อย่าลุกวันเขียนไว้บอกลูกบอกผัวเอาไว้ไม่มีใครลุกวนแก็ทาทาได้สองวันครึ่ง ขณะ ท, ทำทำไปเนี่มนมีคำว่าสมมุตินี่ยขึ้นมาในหัวของแกแกว่านะซึ่งแกไม่ได้คิดมาก่อนว่าสมมติเป็นอย่างไรแต่มันมีคำนี้พูดขึ้นมาในหัวของแก่อันนี้ก็สมมุติอันนี้ก็สมมติเฮ<อ>่แกก็แปลกใจแกก็โทรมาหาแตมาบอกว่ามีคำคำนี้เกิดขึ้นในหั ว, ว น, นี่จะแกะ้ไขนี่มันสลัดยังไงก็ไม่หลุดเรื่อ ง, งั้นพอดีในช่วงนั้นออกมาไปไปที่ยูท่าไปรัตยูท่าเพราะกลุ่มของคนลาวที่รัตยูท่านเขานิมนต์ไปปุตอรหลที่นั่นห้าวัน โทรมาไม่เจอแกก็จนมาตกลับมาเข ก, ก็มาถามแกเข้าใจสมมุติอีกว่าไวนะตอนนี้กาลังเป็นนิพพสนูอยู่ไปไหนพูดธรรมนะก็เป็นเป็นปินพสนูไปพักหนึ่งกันดึงสามีเข้าวัดดึงเพื่อนเข้าวัดได้หลายคนนะเพราะฉะนั้นคนที่บางก็บางจริงๆนะเข้าใจได้ไวจริงๆ ท, งทั้งที่งานนี่โอ้โหคนที่นั่นงานหนักมากนะ งานถามรุ่งถามค่ำกลางวันกลางคืนพ่อต้องจ่ายค่าบินทุกอย่างนะทุกอย่างจ่ายค่าบินกันไหมเพราะว่าทุกอย่างตง้อตงซื้อต้องเช่าหมดนะค่ารถค่าบ้านค่าทุกอย่างที่ใช้ในบ้านต้องจ่ายบินเดือนหนึงแทบจะหากันไม่คุม้มไม่พอแต่เขาก็มีเวลาปฏิบัติแต่เวลาเขาที่นั่นเขาจัดเป็นตารางหรือ ว, วันนึงาจะทําอะไรกันบ้างนี่วันหนึ่งสมมุติว่าทํางานสิบชั่วโมง เหลือเวลานอนกี่ชั่วโมงไปทํมันนั้นกี่ชั่วโมงไปทำมันนี้กี่ชั่วโมงเวลาเขาในหมุนเป็นข่าหมดเลยนะในเมืองที่เป็นวัตถุนิยมดังนั้นการปฏิบัติถ้าหาก็ติดตามจริงๆนะติดตามการปฏิบัติติดตามความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันได้ผลจริงๆมันไวจริงๆนะทีนี้ก่อนที่จะมาจะมานี่ก็เปิดอบรมอีกสี่ห้าวันนะ ก็มีกลุ่มคนลามาจากยูทาที่เคยไปอบรมห้าวันนี้ก็มาได้คนหนู่มมาอีกสองคนคนหนึ่งชื่อดาวงมาทําได้ได้สองวันแค่นั้นะนะนะผู้จกักรูปน้าําเพราะฉะนั้นการที่ที่ตั้งใจทําอย่างถูกต้องเนี่ยไอย้ความตั้งใจทําของคนที่มาที่นี่มีศรัทธาทุกคนเนี่ยตั้งใจทําเนี่ยแตย่การตัวเช็คตัวถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อน บางทีทํำนะตั้งใจแต่มันไม่ถูกต้องอะ่ะคือทำไปหน่อยมันไม่ต่อเนื่องทําไปหน่อยมันก็คิดทําไปหน่อยก็ปรุงทําไปหน่อยก็ฟุ้งทําไปหน่อยก็คุยไปอย่างเงี้ยเหมือนก็เหมือนเราตั้งไฟหุงข้าวลมมันคอยพัดอยู่เลยนะพัดเขยไปทั้นพัดขเขยไนี้เปลือกไฟไม่ตั้งที่ทีิงแต่ถ้าหากว่เรามาที่นี่เจดวันนะถ้าหากว่าตั้งทําจริงๆเนี่ยต่อเนื่องกันนีทีละสองชั่วโมงทีละสามชั่วโมงไม่ไปไหนไม่พูดกับใครเนี่ย มันมันมันเข้าใจได้จริงนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหามันก็คือว่าทําไงถึงจะทําความรู้สึกให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นในไปบิการเที่ยวนี้คือไม่เสียเที่ยวอย่างน้อยก็มีคนได้ดงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมดังแต่รู้จักรูปนามก็ถือว่าได้ดงตาเห็นธรรมแล้วเห็นรูปธรรมนามธรรมรูปทุกนามทุกเลือกห็นสมมุติขึ้นมานี่ได้ดงตาเห็นธรรมแล้ว เขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็จะติดตามเรื่อยๆเพราะเหมือนกับได้แก้วมณีโชดนว่าเพราะเราจะขยับกรยื่นเคลื่อนไหวไปไหนเนี่ยความรู้สึกตัวนี่มันจะชัดเจนอยู่เสมอหลังจากเข้าใจรูปนามแต่ส่วนใหญ่คนเราก็รู้จักรูปนามนะที่เนี่ยรู้นะเข้าใจนะแต่บางทีรู้แต่มันไม่เห็นนะรู้จักรูปนามตามสัญญามันไม่เห็นบางทีเห็นแต่มันยังไม่เป็นก็ฝึกให้มันเป็น พรรูปนามทั้งสีขั้นเนี่ยรู้เห็นเป็นมีนะรู้รูกไปยี่นามไปยี้แล้วก็กรุงแต่งเสริมมามั่งนะเสริมไปเสริมมามันก็เป็นรูปนามเป็นสัญญารูปนามที่เป็นสัญญาเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติเหมือนเราไปสําคัญเนื้อเป็นเปลือกเปลือกเป็นเนื้อเนี่ยพ้กินไม่ถูกกินเนื้อกลายเป็นเปลือกกินเปลือกกลายเป็นเนื้อเพราะฉะนั้นนี้คืออุปสรรคอีกอันหนึ่งคือนึกคิดไปก่อน โ อ, โอ้อันนี้น่าจะเป็นรูปน้ำเพื่ออันนี้ใช่หรือเปล่ารูปน้ำนะคิดเอาควาจริงแล้วไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยรูปน้ำทํำไปเถอะทํำจนมันทําำจนกระทั่งมั น, มนโผล่ขึ้นมาในหัวเองเนี่ยอันนี้ยแน่นอนปะ่ะให้คําว่ารูปนามมันโผล่ขึ้นมาหัวเองโดยที่ไม่ต้องคิดเลยถ้าไปมัวนึกคิดเอาเอาเออันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้รูปเราไปอย่างนี้น้ำเราเราไปสร้างเปลือกขึ้นมาแล้วเปลือกตัวเนี้มันจะไปบังเนื้อแล้วโอกาสที่เราจะไปเจาะกินเนื้อจริงๆมันจะยาก เพราะนั้นแทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นน้ำถึงท่านพูดให้ฟังก็ฟังไปงั้นแต่ไม่ต้องเก็บไปคิดเพราะอันนั้นเป็นหลักวิชาเนี่ยเป็นหลักวิชาอย่างโยงคนเล่าที่ว่านี่แกไม่รู้เรื่องมุก่อนว่าไหนเป็นรูปเป็นน้ำแต่มันโผล่ขึ้นมาอ๋อพอโผล่ขึ้นมาเจอของจริงเลยทีนี้นั่นนั้นเองอยากจะรับประกันได้ว่าด้วยชีวิตอะว่า วิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยถ้าทำํำแล้วถูกต้องแล้วนะไม่มีใครที่ไม่รู้แต่ที่ไม่รู้เพราะทําไม่ถูกวางใจไม่ถูกอ่วางใจไม่ถูกเหมือนกับเราติดไฟหูงข้าวติดไฟตรงนี้แต่ว่าตั้งหม้อตรงนี้หุงเท่าไหร่มันก็ไม่สุกต้องตั้งคนลที่ตั้งเกลวไฟอยู่จุดนี้หรือบางทีตั้งตั้งหม้อถูกเปลวเหมือนกันแต่ว่าไอ้เปลวไฟมันไม่ตั้งลมพัดทางนี้บ้างพัดทางนี้บ้าง ทนี้บางตั้งไปชั่วโมงสองชั่วโมง <c oughs> น้ําก็ไม่เดือดทั้งที่ปเปลวไฟก็แรงอยู่นะฉันใดก็ดีไอ้เราก็ตั้งใจจริงอะแต่ความตั้งใจของเรามันมีอะไรมาพัดออกไปเรื่อยพัดไปทางนั้นพัดไปทางนี้มันก็ทําให้กิเลสไม่ร้อนทักทีกิเลสไม่ถูกเผากเผาิเลสไม่ถูกต้มทักทีกิเลสไม่เล่าร้อนทักทีคือมันไม่เป็นอาตตาปีน่ะไม่เป็นอาตตาปีเพราะจิสัมมัญญะมันไม่ตั้ง ก็ไม่เป็นอาตาปีคืออาตาปีแปลว่าความเพียรที่ยังกิเลสให้เล่าร้อนความเพียรที่เผากิเลสความเพียรที่เผากเกศเหมือนกับเราเอาเหล็กที่เป็นสนิมไปเผาไฟเผานานๆเนี่ยพอตีเปี้ยงเดียวนี้สนิมมันหลุดหมดมันร้อนจิตของเราก็วันที่มันเป็นคราบของนิวรณ์ต่างๆคราบ ความง่วงคราบความขี้เกียจคราบของความคิดของความปรุงแต่งคราบของอคุศันและจิตต่างๆที่มันห่อหุ้มอยู่พอมันถูกสติจะไม่ย่าเพ่งเผานานๆเนี่ยมันก็จะหลุดอ่ามันก็จะหลุดจิตมันก็จะโปร่งดังนั้นเองการปฏิบัติวิธีการแบบนี้ปัจจุบันนี้คนจึงขวนขวายกันมากที่อเมริกาก็ตื่นตัวกันมากนะ เขานมุลไปหลายแห่งแต่บางที่บางแห่งบางทีแล้วก็ไปไม่ได้เพราะว่าพระช่วงหลังเนี่ยมาอยู่วัดองค์เดียวหลังจากจันท์ดากกลับมาเยี่ยมที่สำนักแล้วเพิ่งกลับไปความจริงอยู่ด้วยกันสี่องค์อีกสององค์ก็ไปเที่ยวต่างรัฐเพราะพระที่นั่นเป็นอิสระมากใครจะไปที่ไหนก็ไปนะนั้นเองก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติแบบนี้จเจริญสติบแบบนี้เป็นทางออก ของคนยุคใหม่ถ้าหากเราทํากันดีๆไปทางออกของคนยุคใหม่ <Okay. S 1> เพราะอะไรเพราะนั่งกําหนดหลับตาทุกรูปแบบเนี่ยมันจํากัดจํากัดด้วยท่านั่งจํากัดด้วยวิธีการจํากัดด้วยสถานที่จํากัดด้วยอิริยาบถ <Okay. S 1> และจํากัดด้วยข้อวัดเนี่ยมันจํากัดหลายอย่าง <Yeah. S 1> แต่วิธีการแบบนี้ที่เรา ทำเนี่ยมันไม่ต้องจํากัดจะนั่งยังไงก็ได้ไม่ต้องว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติมั่นหลับตาอย่างเงี้ยไม่ได้กําหนดอย่างนั้นจะหลับหรือจะลืมก็แล้วแต่จะนั่งเหยียดขาหรือจะนอนก็ก็ทำได้นี่คือทําไมไอ้ข้อจํากัดมันจึงเป็นอุปสรรคก็เพราะว่าอินทรีย์ของเรามันอ่อนอย่าลืมตรงนี้อินทรีย์หมายถึงร่างกายและความรู้สึกของเรามันอ่อน เพราะงี้ไอ้ข้อจำกัดต่างๆจึงไปบังคับมันท้าให้เกิดเวทนาเช่นนั่งท่าเดียวนานๆดูไม่ถึงชั่วโมงเราปวดแทบแย่เลยนี่เพราะเวทนามันเผาเราเวทนามันบีบเราดังนั้นการเจริญสติแบบนี้แบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันทำให้ปวดเปลื้องข้อบังคับต่างๆออกไปทำให้เราทำเป็นอิสระแต่มีทั้งผลดีและผลเสียผลดีก็คือ ทำให้เราเป็นอิสระในการทนนําต่อเนงได้ยาวนานไม่จํากัดผลเสียก็คือทําให้คนบางคนที่ไม่มีความระมัดระวังเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยความคิดไปปล่อยสติไปเพราะมันสบาย <c oughs> เพราะถ้าเมื่อไม่มีเวทนาบีบังคับเนี่ยมันก็เวทนามันเบาเพราะเวทนามันเบาจิตที่ยังไม่หนักแน่นยังไม่มั่นคงไม่มีสมาธิมันก็เหลิงไปกับความคิดไปกับอารมณ์ต่างๆอันนี้คืออุปสรรคสําหรับความง่าย เห็นเป็นเรื่องเป็นง่ายดายไปเลย <Okay. S 1> เห็นเป็นเรื่องมากง่ายไปเลยนะอันนี้คืออุปสรรคแต่ถ้าหากเราตัดตรงนี้จะได้อาศัยความง่ายดายความเรียบง่ายนี้ไปสู่ความต่อเนื่องยาวนานโดยที่ไม่วกแวกหวันไบวเพราสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นข้อดีนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในวิธีการแบบนี้ที่มันได้ผลไวเพราะมันไม่มีข้อจํากัดสําหรับคนมีศรัทธาต้องเน้เนไว้สําหรับคนมีศรัทธาจริงจัง แต่สำหรับคนที่มีศรัทธายังไม่จริงจังเนี่ยทุกคนมีศรัทธานะแต่กี่เปอร์เซนต์วงเล็บไาอัาสาิบเปอร์ยี่สิเซห้าหกสิเจ็ดสิบเก้าสิบเอร์เซถ้าศรัทธาเจ็ดสิบเปอร์ซขึ้นไปแล้วโอกาสรู้เร็วแต่ส่วนใหญ่ศรัทธาที่จะดับทุกที่จะทำนมันคอนแคลนตอนแรกวางไว้เลยร้อยเปอร์ซทำไปทำไปไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรก็ลดตกเปอร์เซนต์ลงมาเรื่อยรื่อยจากร้อยเป็นแดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสามสิบเือ เรื่องศรัทธาความเข้มข้นนะแต่ถ้าจะทํามันคงไหมของเอาเราตายเป็นตายสู้กําลังดูไปไงไม่หลับก็ไม่หลับไม่นอนก็ไม่นอนจนกลางวันนะแต่กลางคืนก็นอนปกติถ้าทำไปเยางนั้น <c oughs> แล้วขณะที่ทําเนี่ยจิตของเรามันจะต้องต้องสัมผัสกับการเคลื่อนไหวได้ชัดเจนนะไม่ใช่ทาไปลอยลอยสัมผัสเคลื่อนไหวได้ชัดเจนและจิตที่สัมผัสการเคลื่อนไหวได้ชัดเจนเนี่ยก็สัมผัสกับความรู้สึกในเนื้อในตัวตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยได้ลึกซึ้งด้วย หายใจยังไงคืนน้ําลายอย่างไรปวดเมื่อยอย่างไรขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างไรเหยวซ้ายไหลขวาอย่างไรให้สัมผัสรู้ให้หมดเย็นร้อนอ่อนแข็งเส้นตึงไหวอย่างไรเนี่ยให้สัมผัสให้ละเอียดลงไปแต่ไม่ใช่เพ่งนะให้รู้เฉยๆนะคําว่าเพ่งกับรู้เฉยๆที่ต่างกันคําว่าเพ่งนี่เป็นตำรวจรู้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเพ่งอยู่ตรงนั้นทําให้เครียดนะอันนี้ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาแบบนี้ นะให้รู้เฉยๆรู้อาการที่มันมีอยู่เนี่ยแต่อาการที่จะไปรู้เฉยๆนี่มันก็รู้กันต่อเนื่องนะไม่ใช่รู้เดียวๆตรงนี้แหละความยากของมันนะเพราะฉะนั้นในวิธีการของวิธีการแบบเคลื่อนไหวเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยจะรวดเร็วนะถ้าหากว่าทําถูกแต่ถ้าหากว่าทําผิดก็ช้านอกจากช้าแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรด้วยนะ เพราะฉะนั้นอันไหนที่มีดีที่สุดอันไหนมันก็มีข้อเสียที่สุดมอนกันในตัวของมันเองไม่มีอะไรที่มันดีโดยโดยทายเดียวไม่มีอะไรที่มันดีโดยเสียโดยถ่ายเดียวนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาเพราะตอนนี้ปรากฏว่าฝรั่งเขากำลังนาเรื่องนี้ไปวิจัยกันอยู่นะเราก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาสอน ที่ที่นูยอรเขานิมุนไปเดือนเดอนมิถุนานี้นะอาจารย์ดาว่าอยากจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งที่มาฝึกกันมาอยู่สี่ห้าคนเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะฝรั่งผู้หญิงเนี่ยไม่มีเข้ามาฝึกเป็นผู้ชายทั้งนั้นก็ปรากฏว่ามีอยู่คนนึ่งชื่อในจอรนแกมาจากลีโนมาทำอยู่สักวันหนึ่งได้ เสรแล้วแกไปทําต่อที่บ้านตอนเดือนแรกที่แกมาเนี่ยที่มาฝึกเนี่ยก็ก็ผิดปกติอีกเดือนนึงต่อมาเนี่ยมาเป็นผิดคนละคนแกมาอีกเดือนต่อมาเนี่ยก็เป็นคนที่กระจับกระเฉงว่องไวแก่ไใสล่าเริงไม่ถึงไม่เคยียดไม่บุญไม่บึ่งเหมือ น, นมาตอนแรกแรก็แกเพิมาเล่าให้ฟังบอกว่าอยากไปทํางานแค่สดุก สนุกเลยการจับความรู้สึกจะ <c oughs> บอกว่าแกกล้าเข้าไปที่โบสถ์นะพอแกเป็นเป็นคริสเตียนเนี่ยกล้าไปที่โบสถ์แล้วไปพูดเรื่องนี้ให้บาทหลวงฟังบาทหลวงก็ว่าไอ้แกเป็นพูดไปแล้วยังจะบอกว่าที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องพุทธแกบอกว่า the way of life นะคือนี่คือวิถีของชีวิตที่จะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตไม่ใช่เรื่องของพุทธไม่ใช่เรื่องของคิดแต่อันนี้ the truth of life อันนี้คือสัจจคของชีวิตแกกล้าเถียงกับบาทหลวงเลยก็ว่า บัลหลวงก็นึกว่าแอบถูกคอนเวอร์สถูกเปลี่ยนศาสนาไม่ได้เปลี่ยนอันนี้คือเดอะเวย์ออฟไลฟ์คือวิถีว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาคือเดอะเวย์ออฟไลฟ์คือวิถีของชีวิตจริงวิถีของชีวิตที่ไม่มีทุกข์เหมือนงันโอ้แกกล้าเถียงกับบัลหลวงคือแกเป็นคนที่เป็นคนที่ล่าเริงอนะนะนั้นแกก็มั่นใจขึ้นเพราะฉะนั้นที่ที่เข้ามาสัมผัสเอามาให้ไม่มากหรือว่าให้เป็นเขาเรียกกิฟ เดซิสให้เมล็ดพืชในจิตของเขาคือให้ความรู้สึกตัวเพอรู้ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังไม่ต้องให้มากอะ่ะแต่ให้เขาเข้าใจว่าอันนี้มันมีผลอย่างไรในจิตของเขาเนี่ยมันมีผลที่ต้องอธิบายให้ละเอียดทีเดียวว่าที่ทํานี้เพื่ออะไรขอให้เขาได้เหตุผลอย่างสมบูรณ์อย่างคอมพ l e t e ก็แล้วกั น, แ ล, กนแล้วเรื่องทํานั้นถ้าเขารู้เขาเข้าใจาผลที่แท้จริงของมันแล้วไม่ต้องไปกระตุ้นไม่ต้องไปบอกเออไม่ใหญ่อย่านอนนะไม่ใหญ่อย่าคุยกันนะเพราะใหญ่ อยู่คนทางไม่ต้องไปเสียเวลาบอกเขาเลยนะเขาเอาจริงเออยังมันก็ได้ผลจริงๆอันนี้คือความต่างเนี่ยดังนั้นเอง เ, ออเขายังมีความกังวลอยู่สำหรับคนที่ยงไม่เข้าใจว่า เ, เพราะชาวพูดของเราส่ว น, นที่ไปอยู่ที่นั่นนะไปสร้างปัญหามีวัดไทยวัดอื่นเอาทะเลาะกันอยู่ระหว่างกรรมการ กับประธานกับพระกทะเลาะกัน อ, อยู่งั้นเรื่องเดินขบวนก็อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเขาบอกว่าผู้ธดศาสนาจะดีได้ไงแ ค, ค่คนกลุ่มเล็กๆก็ยังก็แค่ดี